คำว่าปกตินี่นะฮะก็ยังแปลเป็นคนเราเลือละละ่อนคนเราๆมีปกติคือถ้าปกติของคนที่เขาเรียนบาลีมาเนี่ยนะจริงวยากรณนชั้นต้นๆก็ก็พูดอยู่แล้วว่าม า, าจากอัดคำว่าสีตะละสีตะละหมายถึงว่าทําอะไรที่มันบ่อยๆเช่นคนนี้พูดธรรมะเป็นปกติเขาเรียกว่าธรรมวาทีเนี่ยคือคือคําว่าปกตินะคือคนเนี้ยพูดธรรมะเป็นปกตินะ คนนี้พูดวินัยเป็นปกติเขาเรียกว่าวินัยยะวาทีคนนี้อย่างเช่นเขาเป็นชาวเมืองอะเขาอยู่เมืองโดยปกติเขาเรียกว่าชาวเมืองอย่างเงี้ยนะคือแปลว่าทําอย่างนั้นบ่อยๆๆเนี่ยเขาเรียกว่าอัตถาว่าปกติอย่างเงั้นก็เลยมาแปลว่าเวลาจลติปัทานนั้นเนี่ยทําผิดปกติไม่ได้เพราะถ้าจะไปนั่งจะไปอะไรจะไปนั่นผิดปกติแปลไปอย่างนั้นนะก็คนละเรื่องคนละราไปเลย ก็ผมมาเลยเข้าใจเลยว่าทําไมตันหาตันหาแล้วค่อยคยคิดนะตันหาท่นก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับเราไปเจอทางตันอ่ะแล้วเราต้องหาทางใหม่อันนั้นคือคําว่าตันหาเนี่ยแปลไปได้นะคือคเล่นกันจนน่วมหมดละแปลอย่างนี้ไหมครับไปรวมสบารีแปลก็นี่ไงค่อยค่ยคิดเอาไงพูดให้มันช้าลงไหยตัน เ, เจอทางตันแล้วต้องหาทางใหม่คําว่าตันหามหมายคำว่าแบบนี้อะไรแล้วมันแปลว่าอย่างนี้หรือแบบจะบอกว่ามีปกติจเจริญจติตเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคาราวาสเนี่ยเขาจเจริญอยู่ยเนี่ยทำงารทํางานก็จเจริญไปด้วยขึ้นรถลงเรือก็ะจะเจริญไปด้วยนี่จริงจะเป็นปกติถ้าจะไปนั่ง หรือว่าจะไปหาที่สงบสงัดเนี่ยนั่นผิดปกติแล้วนี่การแปลอย่างนี้เนี่ยนะมันขัดกับอะไรแต่อะไรอีกไม่รู้เท่าไหร่สปายาจเจตก็ใหม่ในพูดถึงเรื่องโอ้อหลายอย่างมากเลยที่ไปขัดขัดไป ห, หมดนะฮะแม้กระทั่งรักษาศีลก็ต้องทําให้มันเป็นปกติใช่ไหมก็มเป็นปกติหมดสมถะสมถทาก็เป็นปกติหมดทีนี้เขามีนะนายว่ากุศลศีนอนะนะากุศลศีนอาภยาคตศีนอะ่ะนะ ก็มีในปฏิสัมพิธามักพูดถึงกุศลศีลอาคุศลศีลและอพยากตะศีลถามว่าอาคุศลศีลจะเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลได้อย่างไงใช่ไหมอภยกตะศีลก็เหมือนกันเช่นคนนี้มีปกติมั ก, กโกรธอย่างนี้นะโกรธบ่อยๆก็โกรธเป็นปกติคนนี้ราคะเป็นปกติหรือคนนี้มีโมหะเป็นปกติหรือคนนี้มักกลับเป็นปกติเนี่ยนะก็อนุรักษ์นิยมใช่ไหมจึงจเรียกว่ารักษาศีล รักษาความเป็นปกติเอาไว้อันนี้ไม่ใช่ท่านก็บอกว่าไอท้ทำแบบนั้นมันไม่ได้เป็นเหตุแห่งมันลุกมรรคผลนิพานอะไรมันอัดอันนี้ไม่ประสงค์ไอ้ปกติแบบนี้ไม่ต้องการแต่ว่าเน้นอะไรเน้นคําว่าศีเนี่ยนะศีละนะศีละนะเพราะอัฏถะว่าสมาทานนังกายวาจาไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายอุปทารนังรองรับคุณธรรมชั้นสูงต่อไปนนเอาเอัดอันนี้เนี่ยนะอัดอันนี้ท่านประสงค์คือพระองค์ประสงค์แบบนี้เนนะ ก็เลยอนุรักษ์นมยมเป็นปกติเลยแบบนั้นเธอเดีย๋ยวถ้าแปลปรุงเป็นปกติแล้วยุ่งกันนะบุคคลเนี่ยถ้าแปลแล้วโอ้โหถ้าแปลตามศัพท์เลยนะเป็นผู้เคลื่อนเคลื่อนไปไหนรู้ไหมนร ก, กนะนถ้าแปลบุคคลตามศัพท์นะถ้าอนุรักษ์เอาไว้ก็ตามใจ <laughs> แต่จริงในการศึกษาพระธรรมนะเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ยากจริงๆก็ยอมรับนนะว่าเป็นอย่างนี้แหละ นี่ยังพอมีคําสอนนะยุคหน้าหนักกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นระดับใครก็ตามผู้สอนก็ตามผู้เรียนก็ตามเนี่ยพร้อมที่จะต้องยอมรับฟังในหลักฐานในเหตุผลหลายอย่างไม่ใช่จะไปยึดอยู่แต่อย่างเดียวว่าออัอนเนี้ยถูกอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นเราไม่โอกาสเขาลุกข้อโพลเยอะจริงๆเลยเขก็รับก้นเมื่อไปได้ถูกเนี่ยนะเปอร์เซ็นที่ถ้าถ้าเรามาคิดนะนะ เปอร์เซนที่จะคิดให้ถูกตามเนี่ยน้อยเต็มทีเนี่ยนะเปอร์เซนคิดผิดเนี่ยไม่ยากเนี่ยนะคือถ้าจะประคับประคองทิฏฐิเนี่ยนะก็คื อ, เ, อเป็นพหูสูตรเนี่ยจะประคับประคองทิฏฐิตัวเองสมมติวันนี้เราเข้าใจเพียนะ้ยนไหยถ้าอ่านพระสูตรปั๊บพระสูตรจะแก้เราแต่ต้องอ่านให้ปริมาณที่มันมากนะไม่ใช่อ่านสูตรเดียวซ้ําๆอยู่ตลอดไม่ใช่หมายก็ว่าอ่านไปเรื่อยๆรอบแล้วรอบเล่าถ้าเราคิดอะไรปั๊บนะพระสูตรจะขัดเราเอง คือถ้าอ่านทั้งตะไคยไปดกอ่านทั้งอัตกาานะอะไรที่เป็นความเข้าใจผิดนะท่านจะแก้เรานนะแต่ถ้าเราไม่เลิอกอ่านนะแต่ก็ต้องอ่านไปไปตลอดนะรักที่จะอ่านด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าก็มีอนะพออ่านไปปั๊บมันขัดกับเราเอ อ, อย่างไรนะอะไรผิด <c oughs> คำพีผิดหรือเราผิด <c oughs> ทำบุญกันมาเท่านี้นะโทษใครอ่ะ แต่พีดอกมีต้องไปพินใหม่เลครับใครจะไปพิมพ์ให้มาก็ผิดของมาผิดแล้วไปแก้ของเขาอของมาก็แก้ฉบับปนามาึงเขาไม่ฟ้องร้องอยู่แล้วเพราะของเราเองใช่ไหมเราก็แก้ของเราไปเราไปเที่ยวแก้ของคนอื่นเราก็ป่วย คือถามว่าแก้ได้ยังไงเราก็ไปดูฉบับอื่นเนี่ยนะก็ดูของเช่นดูของมหาจุลานะในสูตรเดียวกันนะแหละเขาพูดแล้วเขาเข้าใจรู้เรื่องแล้วก็เอออัตถะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะแล้วก็แก้ไปตามเขาแล้วก็ไม่ต้องไปอนุรักษ์นิยมเอาไว้หรอกอ่นีนะ้เช่นนะรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วรู้สวยธรรมาร ม, ม่เป็นไงไหรู้สวยความกำหนัดในธรรมารมนะอ่านแล้วก็ไม่รู้เขาว่าอะไรก็ไม่รู้ นะนะผ่านตนะเปลกอาารแสดงว่ากี่สูตรนะครับจำไม่ได้ลอล้เยอะแล้วในปฐมภาษายตนาสูตรนะภาษายตนานี่แปลว่าบ อ, อกเกิดของภาษาดูการพิสูนทั้งหลายก็พิสูนบางรูปไม่ทราบชัดความเกิดคือสมุทยังค้าเนี่ยนะความดับอัททังคมะอัสาทะอาทินวะ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภาษายตนาหกตามความเป็นจริงพรหมจันทร์อันเธอยังไม่อยู่จบแล้วเธอเชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากธรรมวินัยนี้ น, นะพรหมจันทร์คือการบำเพ็ญไตรสิกขาใช่ไหมนั้นถ้าหากว่าไม่รู้เหตุเกิดความดับอาสาถ้าอาทีนวานิสรณะของภาษายตนาหกปฏิบัติไม่เสร็จนะแล้วก็จังางาศาสนานี้มากกว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพิสุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ชีพหายในาศาสนานี้เพราะข้าพระองค์ไม่ทราบชัดความเกิดความดับอาศาัศธาอาทีนวะและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภาษายะตะนา6กตามความเป็นจริง น, นะเธอจริงๆแล้วพระพิสุรูปนี้ท่านเข้าใจในคําสอนแต่ท่านไม่เข้าใจในแง่ของพยัญชนะนะพระองค์ก็เลยถามว่าดูก่อนพิกษุ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไงเธอพิจารณาเห็นจากสุว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้หรือหาไม่ได้พระเจ้าค่ะสาธุภิกษุในข้อนี้การที่เธอพิจารณาเห็นจากสุด้วยอาการอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราจักเป็นอันเธอเห็นด้วยดีด้วยปัญญาชอบ ตามความเป็นจริงนี่แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์นะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เธอเข้าใจเนี่ยใช้ได้แล้วเพราะอาการรู้เหตุเกิดความดับอาสาท า, าอาทีนวานิสรณะของจักสุกก็คือเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราคือต่างกันแค่โดยพยัญชนะเท่านั้นเองแต่อัตตะเหมือนกันนะเพราะคําว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราคือไม่ได้เข้าไปสําคัญจักสุกด้วยอำนาจตันหามานะทิฏฐิเลย นนะก็เท่ากับอะไรก็เท่ากับรู้เหตุเกิดความดับอาสาท่อาทีนวะนิสารณะของจักสุกอีกนั่นแหละเนี่ย น, นะเพียงแต่ว่ามองกันคนละด้านสิ่งเดียวกันแต่ผมก็ถามทวารอื่นๆต่อไปเนี่ยนะทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายจนถึงทวารใจว่าเธอจะสําคัญความพวกนั้นเป็นชะไหนเธอพิจารณาเห็นใจว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่ะสาธุภิกษุนะดีละก็มาจากสาธุอันะ ในข้อนั้นการที่เธอพิจารณาเห็นใจคือมโนว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้จักเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี่แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์นะถ้าเห็นอย่างนี้จริงๆก็เป็นที่สุดแห่งทุกข์นะ ถ้าเห็นว่านั่นไม่ใช่ของนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะฉะนั้นก็เท่ากับรู้เหตุเกิ ด, กดรู้ความดับรู้อาสาทารู้อาทีนวารู้นิสระของจักสูตรนั่นและปาั้นะอันนี้ก็จบสูตรนะปฐมภัษายตนสูตรที่เก้ามันก็นี่ก็ประกาศอริยศัสตร์เอเหมือนกันคือประกาศเน้นว่าไม่เจริญสมุทัยศาสตรใ์ในทุกในทุกๆุกขสัตว์ปรานั้นเถอะ อไม่ต้องไปเห็นทุกขสัตว์ด้วยนะตันหามานาทิถีนะนั่นแหละข้อปฏิบัติละนะนะเอาแบบย่อๆก็อย่างนั้นแต่ว่าทําตามค่อนข้างยากนะเห็นยังไงเห็นจากสุ่ด้วยไม่เห็นด้วยมาตันหามานะและทิถีนะแต่ว่าต้องรู้รอบในเรื่องจากสุกนะในอัตกถาที่บายว่าที่ภิกษุกล่าวว่าอนัตสานังอนัตสานังเนี่ยนะว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อว่าเป็นผู้ชีพหายแล้วในพระศาสนานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำเรว่าภิกษุนี้กล่าวว่าเราชื่อว่าชีพหายแล้วในพระศาสนานี้เธอยังมีความเพียรยิ่งอยู่ในธาตุกรรมฐานและกะสินเป็นต้นหรือหนอเมื่อไม่เห็นความเพียรนั้นยิ่งนั้นจึงดำเรว่ากรรมฐานอะไรจะเป็นสปายะคือเป็นที่สบายแก่เธอเนี่ยนะ แต่นั้นก็ทรงเห็นกรรมฐานคืออายะตะนะจักเป็นสปายะเมื่อจะตรัสบอกกรรมฐานก็บอกว่าเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไรถ้าเธอเห็นจักสูว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือไม่เป็นอย่างนั้นพระ อ, องค์ก็บอกว่าสาธุเป็นความร่าเริงในการพยากรปัญหาของเธอคือเท่ากับว่าพระ อ, องค์พยากรให้เธอร่าเริงนะนะเออถ้าเธอตามเห็นอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วสาธุสาธุาธอ่านะ ก็พระเจ้าไม่ใช่ข่มอย่างเดียวใช่ไหมให้กําลังใจด้วยเออดีละที่ ท, ที่คิดอย่างนั้นอ่ะนะเขาะ้าใจถูกแล้วเหมือนกันเอสัเอเสวันโตทุกขสะสัความว่านี่แลเป็นที่สุดคือความขาดไปแห่งวัตถุนี่แหละคือนิพพานนะอ่นนะนะถ้าไม่ตามเห็นจักสุว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราเนี่ยนะอันนี้แหละคือคือที่สุดแห่งทุกข์มันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไม่ตามเห็นจักสุ ว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นอัตราของเราหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันนะถ้าไม่ตามเห็นว่าเราว่าของเราว่าอัตราของเราเอ๊ะถ้าตามเห็นว่ายังไงกันี่ถ้าตามเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตราของเรานะจะให้เห็นว่าเป็นยังไงดีคุะไรีเห็นเป็นธาตุก็มันก็เป็นจักษุใช่ไหมคือเห็น เห็นยังไงอะที่จะไม่มีความสําคัญด้วยอํานาจตันหามานะและทิถีนะครั้งก่อนเคยบอกว่าถ้าเห็นว่าไม่ใช่ของเราคือเห็นโดยทุกขลักษณะเห็นว่าไม่เป็นเราด้วยอํานาจอนิจจาลักษณะเห็นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอํานาจการเห็นว่าเป็นอนัตตาก็คือเห็นโดยความเป็นอนิจจงทุกขังและอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นโดยความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตามันจะเพิกตันหามานะกับทิฐิได้นี่นะ แต่เมื่อจะต้องต้องไม่ลืมบทบทไหนว่าจากขู่จากขู่สมุทัยจากขู่นิโรธจากขูนิโรธาคามินีปฏิปทาถ้าไม่แทงตลอดบทอันนี้นีก็ไม่ไม่สามารถที่จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้อยู่แล้วอย่างนั้แล้วผู้การเห็นยังไงจึงเนว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราในจากขู่ก็ต้องเห็นโดยปริญญามาเรียบร้อยแล้วนั่นแหละไม่มีทาน นั่นนะคำว่าปริญญาเนี่ยนะก็ต้องนั่นแหละเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะชื่อว่าทำปริญญาเรียบร้อยแล้วยังอนุรักษ์อีกคือคือโดยที่สุดของคำสอนเนี่ยจะจบลงที่นั่นนั่นะมันเราก็ตั้งตั้งอัธยาศัยให้เป็นไปตามคำสอนผมเชื่อว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยเป็นไปตามลำดับจริงๆต้องเป็นไปตามลำดับจริงๆเลยถ้าหากว่า เบื้องต้นยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ายัางทําปริญญายาตัดปริ ญ, ญาไม่ได้แล้วจะไปเข้าใจว่าไม่เที่ยงนี่เป็นไปไม่ได้เลยแล้วจะถามต่อไปว่าเออนี่ถ้าตามอันนี้ไม่มีดีไหมเนี่ยยิ่งไม่มีทางเลยถึงจะตอบก็ต้องตอบแบบเอาใจท่านอาจารย์ไป <c oughs> เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าไม่ได้ตอบอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วนะถ้ามันเป็นมาตามลําดับแล้วนี่นะจะตอบอย่างอะไรอ่ะอย่างจริงใจเลยเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆเลยเพราะเห็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะฉะนั้นเขยังต้องหวนกลับลงไปทำยามยาตรปั ญ, ญาจนได้ห น, ะนีไม่ทนอย่า ง, งในสูตรเนี่ยพผมถามว่าผู้ที่ไม่รู้เหตุเกิดนะสมุทัยใช่ไหมหรือสมุทยยังคะเนี่ยนะก็ไม่รู้สมุทัยอย่างหนึ่งไม่รู้อัดถังขมะไม่รู้อัดสาธะ ไม่รู้อาทินวะไม่รู้นิสระณะเหนไหมสมุทัยังคาเนี่ยก็คือเหตุเกิดของจกักรโสเนี่ยจกักรโเกิดด้วยเหตุเท่าไหร่ใช่ไหมคำว่าสมุทัยเน้นไปที่ตัวปัจจัยที่ทําให้จกักรโสเกิดนะตาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยใช้ตาอยู่ทุกวันเนี่ยมันเกิดจากอะไรอันนี้ก็ต้องรู้ก่อนนะ เพราะเช่นเพราะอาหารเกิดตาจึงเกิดเป็นต้นน ะ, ะนั้นผู้ศาสนาก็กรร ม, มสกตาอยู่แล้วนะก็มีกรรมเป็นต้นนั่นแหละเป็นปัจจัยถ้าจะดับจากสู่ดับได้ยังไงก็ดับที่ปัจจัยนั่นเองนันเอเพราะว่าข้อปฏิบัติไม่ใช่ไปทิ่มตาให้บอด น, อนะนีไม่ใช่ว่าโอ้ดับตาจะไปยากอะไรเดี๋ยวก็ทิ่มตามก็บอดเองอะ่ะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าดับในทนี่หมายถึงว่าถ้าตัดปัดจจัยมันก็ดับ แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะดับมันง่ายๆใช่ไหมเพราะอัศธามันเยอะอนะมีตาก็เพลิดเพลินกับการเห็นใช่ไหมมีหูก็เพลิดเพลินกับการได้ยินเป็นต้นอันนี้เป็นอัศธาแต่ในขณะเดียวกันตาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอาทีนวะเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะไม่ใช่รอให้มันมันมันมันโทษอันนั้นมันเกิดก่อนไม่ใช่ ในอัตถะฐานเนติปรกรณ์หมายถึงวิปัสนาอธินวาวะเนี่ยคือการเข้าไปเห็นในทุกโทษของจักษุเป็นต้นเนี่ยนะนนส่วนนิสารณะอันนี้มีสองอัฏฐะคือตัวที่สลัดออกจริงๆอ่ะนะสารณะแปลว่ายึดถือนีที่จะไม่ยึดถือจกักษุนีตัวนี้แปลว่าไม่ยึดนี่เนี่ยไม่ไม่ไมสารณะก็ยึดใช่ไหมไม่สารณะก็แปลว่าไม่ยึดอ่ะเมื่อไม่ยึด ตัวที่ไม่ยึดสังขารทั้งมวลคือนิพพานนั่นแหละแล้วเหตุอันนั้นคืออะไรก็คืออริยมรรคนั่นเองอย่างนี้ดังนั้นในในคำว่าในใ น, ใ น, ใ น, ในสองศัพท์นะสมุทัยกับอัตถังคมะเนี่ยสมุทัยเป็นสมุทัยสัตต์อัตถังคมะเป็นนิโรธสัตต์อัตสาธะเป็นสมุทัยสัตต์อาทีนวะเป็น ทุกขสัตว์นิสร ะ, ะเป็นนิโรธสัตว์และมรรคสัตว์นะมันก็คือประมวลอันนี้ให้เห็นเป็นอริยสัตว์นั่นแหละจึงถ้าใครทำตามนี้ก็เชื่อว่าทากิจในาศาสนาทีนี้ถ้าทำตามนี้อย่างถูกต้องแท้จริงจะไม่มีความสำคัญในจักสูรด้วยอำ น, นาจของปัญหามาณะทิฏฐิอะไรนะเช่นว่านั่นของเราอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราได้ยังไงเพราะเห็นโดยทุกขะ เห็นโดยทุกขตาโดยความเป็นทุกข์อย่างแท้จริงและจะเห็นว่าเราเป็นนั่นหรือว่านั่นเราอ่ะนะนั่นเราด้วย m a n ะเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงว่านั่นเป็นอัตตาของเราเป็นของเราหรือเป็นบริขารของเราก็ไม่ใช่มั้นก็ปฏิเสธอัตตาเพราะอะไรเพราะเห็นอนัตตาผู้ที่เห็นโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่บริบูรณ์ย่อมยัง นิพพิทาให้บริบูรณ์อันิพพิทานั่นแหละคือการเห็นอาทีนวะเนี่ยนะอาทีนวะทีนี้เมื่อนิพพิธามากต้องการสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้นะสลัดออกด้วยการลีกออกจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะหรือว่าวิวัตตะหรือพลิกกลับก็ได้เนี่ยนะก็ไม่เป็นไปแล้วนั่นก็ไปเจริญเอาคนเดียวผม เ, เชื่อว่าถ้าเจริญอาทีนวะถึงอย่างสมบูรณ์แล้วปตอบได้ทันทีเลย ไม่มีตาดีกว่าเกิดถ้าถ้าปัญญาส่องเห็นภัยทั้งมวลของมีตาเนี่ยนะจะตอบได้โดยที่ไม่<ะ>ล เ, ลเลยเลยอย่างเช่นนะถ้าใครเห็นโทษภัยของบาปะนะว่าตาเนี่ยชาตินี่เรามีตาแล้วเพื่อดูให้เกิดบาปหรือดูให้เกิดบุญมากกว่ากันถ้าใครรู้ผลบาปผลบุญอย่างดีเลยนะเพูดแบบคนรู้เหตุรู้ผลเป็นอย่างดีเนี่ย ถามว่ามีตาแล้วเนี่ยเอาตาเพื่อให้เห็นแล้วจิตเกิดบาปแล้วก็ดูเพื่อให้เห็นจิตเกิดบุญไหนมากกว่ากันบากแล้วตานี่ดีหรือไม่ดีงั้นเอามันเป็นประตูที่ให้ทําบาปจะว่าดีหรือไม่ดีตกลงอย่างนั้นอ่านถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ก็อ่านพระไตรปิฎกอ่านไหนมากกว่ากันซื้อพิมพ์เยอะซื้อพิมพ์มาแล้วฉบับสองฉบับใช่ไหมพระไตรปิฎกนี่นไม่จบเลยสูตรหนึ่งอย่างไงนะก็โอ้โหมันก็บุญกับบาปมันก็ห่างกันมากอยู่แล้ว แล้วก็ท่านก็จะเห็นภัยของจักสุใช่ไหมถ้าไม่มีจักสุนะบาปเหล่านั้นจักมีมาหรือถ้าไม่มีโสตจะได้ฟังสิ่งที่มีโทษหรือก็ไม่ได้ฟังใช่ไหมมัน ก, ก็เออสิ่งเหล่านี้เป็นภัยจริงๆแล้วก็ไม่มีใครที่มีจักสุแล้วไม่เดือดร้อนไม่มีใครที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่เดือดร้อนไม่มีแม้แต่พระอาหารหันต์ก็ยังเดือดร้อนแต่ไม่ได้เดือดร้อนด้วยกิเลส น, นะเดือดร้อนด้วยปัญหาด้านอื่นๆ อันนะันเช่นผู้อื่นยังมาเดือดร้อนอยู่ด้วยอนนะอย่างพระพุทธเจ้ามีกายนี้พระองค์เดือดร้อนไหมถ้าใครอ่านมหาปรินิพานสูตรนี่จะเห็นว่าวันสุดท้ายที่จะดับขันปรินิพานเนี่ยพระองค์เดินทางด้วยความทุลักทุเลมากนนเะรียกว่าบางคนมาเป็นเลือดเกือบตลอดทางเลยนะกระหายน้ําก็กระหายนีย่คือเรียกว่าเรี่ยวแรงไม่รู้หายไปไหนหมดนะนั้นคือกรรมที่ทําไว้ในอดีตทําให้พระองค์เนี่ยลำบากมากเลย แม้กระทั่งเหน็ดเหนื่อยมากนะนะเหนื่อยมันเรียกว่าเดินทางเนี่ยไม่กีก่กิโลเนี่ยนอนตั้งหลายครั้งอะ่ะบอกอาตูผ้าเราเหนื่อยแล้วจะนอนนะนะจะพักผ่อนผมก็พักแล้นะแล้วก็พอมีแรงก็เดินต่อไปนะทุลักทุเลเต็มทีมากเลยนะอันนะั้นโดยที่สุดแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่จํากล่าวถึงบุคคลอื่นถ้ามีกายแล้วจะไม่เดือดร้อนไม่มี แต่ว่าใจนี้พระพุทธเจ้าไม่เดือดร้อนเพราะทําปริญญาเสร็จแต่ถ้าไม่ทําปริญญาเสร็จมันจะเดือดร้อนขนาดไหนเนี่ยนะมันเล่าร้อนใช่ไหมเพราะว่าจะคิดถึงบุญบ้างที่ตัวเองเคยทําคิดถึงบาปบ้างที่ตัวเองเคยทําโดยมากเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตมันทําบุญกับทาบาปไหนมากกว่ากันก็ทําบาปมากกว่านึกเมื่อไหร่มันก็ร้อนทุกทีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทวารทั้งหกเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความร้อนมากกว่าความเย็นเนี่ยนะังนั้นตัวมันเองเนี่ยจึงเป็นของร้อนจริงๆร้อนด้วย กิเลสด้วยนะแล้วก็ตัวมันเองก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรไเนไพราะถ้าใครเคยผ่าตาไก่เล่นๆด้วยนะตาประทูเนี่ยคนถามไม่มีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆตาของมนุษย์มันก็ลักษณะเดียวกันไม่ได้มีแกลนสารไม่ได้มีสาระมีความมั่นคงถาวรไม่ได้มีอย่างนั้นแล้วก็บาปเพราะอาศัยทาวารเหล่านี้มาเกิดขึ้นอั้นราคาก็อาศัยทาวารตาเนี่เกิดขึ้นแต่ไม่มีตาก็ไม่มีราคาล่ะแต่ไม่มีตาก็ไม่มีโทสะ ถ้าไม่มีตาก็ไม่โมหะอีกนั่นนะหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีใจมันก็ไม่มีราคะไม่มีใจก็ไม่มีโทสะไม่มีใจก็ไม่มีโมหะเพราะฉะนั้นไอราคะโทสะโมหะก็อาศัยเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกเนี้เกิดขึ้นถ้ามองโดยรอบเนี่ยจะเห็นภัยมากกว่ามากกว่าคุณเนี่ยนะเมื่อเห็นภัยมากก็ต้องการที่จะออกใช่ไหมถ้าเห็นภัยมากก็น้อมจิตที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ แต่พระสาคัญว่าสัพพะโลเกอนาภีระตะสัญญาเป็นต้นเจริญมากขนาดไหนด้วยนะหรือว่าอธิตะปรียาสูตรเนี่ยนะเอามาคิดแบบกลุ่มพระชดินทั้งหมดเหล่านั้นมากขนาดไหนแต่ถ้าเห็นน้อยนะมันก็ร้อนต่อไปนะแต่ก็ไม่ได้เห็นอาทีนวะอะไรอาทีนวะถึงมีอยู่ผู้ไม่มีปัญญาก็มองไม่เห็นนะคื อ, อพระธรรมที่เรา ฟ, ฟังฟังมาตลอดนี่นะ แล้วก็ทําไมเราไม่ค่อยเห็นสักทีนะยังเรายังไม่ค่อยเห็นจริงจังสักทีนะว่าเออนันมันทุกจริงจริงมันไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยนะทั้งนี้ก็เพราะว่าเพราะว่าเรายังขาด เ, ออเรามีปรัชโตโควิสันแล้แต่เราขาดโยนิโสมนัสิการโยนิโสมนัสิการเราน้อยมากเลยนะแทบไม่มีเลยบางคนไม่เคยไปถึงสแสดงไม่มีเลย เมื่อไม่มีเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมเราจรึงเกาะไม่ได้เราทําไมจึงไม่เห็นตามตามเป็นจริงอย่างนั้นทําไมเราไม่เห็นถึงบอกว่าไม่เที่ยงแต่เราก็ไม่ค่อยเห็นว่าเป็นทุกข์มันมีโทษก็ไม่ค่อยเห็นทั้งนี้เพราะว่าทั้งนี้ว่าเราขาดอยู่โยนิโสมนสิการคือปัญญาจะเกิดได้เพราะประโตโสารและโยนิโสมนสิการนี่เป็นหลักในศาสนาพูดนี่เลยพวกจัดไว้อย่างนี้เลยแล้วถามว่าเรามียน์ยิโสมนสิการ ว่าลราเท่าไหร่ในเรื่องนี้แล้วเขาเขาเขาฟังอ่ะฟังจากอย่างเราฟังจากพระราจ j a นี้นะฟังจากพระราจารย์สมัยสมัยพุทธกาลก็ฟังจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมเมื่อเมื่อฟังเสร็จแล้วเนี่ยนะอ่าแล้วเราก็กลับไปไม่ได้คิดเลยเลยกลับไปบ้านนอนสบายเลยเนี่ยแล้วถามว่ามันมันมันได้ปัญญาหรือมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องโยนิสโวมรติการเนี่ยจึงมีความสาคัญมากเลย แต่ก็แปลงว่าที่เขาสอนว้าเออนี่จะโยนีสวมประการบดียังไงโยนีสวมประ ก, การได้าัน<ม>ก็รวยกุศลกันแย่ดินี่สอนผิดมานานขนาดนี้คิดดูดิว่าเราไม่ยินน่าจะรับโยนีสวมประชการเลยโยนี้สวนสวมไม่ได้ถ้าโยนีสวนได้ก็รวยกุศลกันตายดิสอนทำไมผิดๆอย่างนี้น่ะคิดดูดินะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมเขียนในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยผมผมยกออกมาอาท้ายเล่มเลยเนี่ยนะ ปัญญาหรือว่าสัมมาทิฏฐิก็ดีวิปัสสนาก็ดีเนี่ยนะเกิดได้เพราะหนึ่งปรโตโขโศและโยนิสวนมรรคการสําหรับเรานะแต่พระพุทธเจ้ า, าท่านมีโยนิสโสวอย่างเดียวไม่มีปรโตโขสศในชาตินั้นพระองค์ตัสรุปในพระองค์เองใช่ไหมเพราะฉนั้นพระองค์ไม่ต้องมีปรตปรโตโขสศละไม่ต้องฟังใครไม่ต้องฝากใครเลยโยแต่โยนิสวมรรการใช่ไหมเพราะฉะนั้นโยนิสวงมรรคการจึงมีความสําคัญที่สุดเลย ถ้าใครจะไประประดับประดับอไรก็ได้ถ้าใครไปปฏิบัติ ท, ทําที่ไหนนะแล้วไม่มีเรื่องโยนอิส่งราติการเลยเนี่ยนะหให้คิดดูเถอะว่าไอ้แนวปฏิบัตินั้นเนี่ยคุณเสถเนี่ยไปคิดดูดีนะเนขาเขามีไอ้จริยาอยู่เรื่องหนึ่งเขาเรียกว่ายะอ่าวิญญาณจริยาอัญญาณจริยาแล้วก็ญาณจริยาเขามีจริยาสามนัวิญญาณจริยาก็ น, ๆๆนะๆๆนะ จริยาปุนนี้แปลว่าความประพฤตใช่ไหมความประพฤติด้วยวิญญาณความประพฤติด้วยอัญญาณนะอัญญาณก็คือประพฤติด้วยอากูสนะ่ะสิบสองส่วนญาณจริยาอันนี้ก็คือประพฤติด้วยปัญญานั่นเองตัววิญญาณจริยาก็คือพวกทวิปัญจาหรือมโนทวาราวชนะก็ชื่อว่าวิญญาณจริยา มโนทวาราวชนะน้อมไปพิจารณารูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้เป็นญาณนะวิญญาณเจริยามโนทวาราวชนะนะน้อมไปคิดในความไม่เที่ยงส่วนปัญญาที่รู้ตามอันนั้นอ่ะปัญญาอันนี้ที่เกิดในชาวนาะอันนี้เป็นญาณเจริยาเธอมีเจริยาสามอนะไอ้อัญญาณนเะจริยาไม่ต้องเจริญเพราะเป็นปกติคือคิดแบบเราอะ่ะนะคิดแบบ ตัวเองอะนะเนี่ยคืออัญญานจริยาเป็นปกติแต่ถ้าวิญญาณจริยาอันนี้ก็ต้องอาศัยอะไรอาศัยสุตะเป็นต้นมาเป็นอย่างดีงนะนะมันก็มน้อมมนานักสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงในรูปยาณจริยาก็จะเกิดตามานนะมันสำคัญในการน้อมไปพิจารณาเนี่ยจึงสำคัญอันนี้คืออาวัชชนะนะล้วก็ถ้าไม่ฝึกน้อมไปเพื่อจะคิดในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะ แล้วอยู่ๆ like ให้เห็นไม่เทีย ing, ่ยงโผล่ขึ้นมาเลยเนี่ยนะเว้นไว้แต่เอาแบบบันก่อนนะโครมตายต่อหน้าเลยเออ um. ใช่ไม่เที mama, ่ยงนี่นะคือไม่ต้องไปรอขนาดนั้นอ่ะนะามันเสียงมากแล้วก็น้อมไปพิจารณาจีเออมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละน้อมไปไข้ครวนมากๆมากๆอ้วนะแล้วก็ไอตัววิญญาณเจริยานี่ต้องฝึกนะมันไม่เท <Hum flavored plat ekkür> like ี่ยงมันไม่เห็นด้วยปัญญาก็ช skipped. ่างมันเถอะขอให้มันเห็นด้วยจิตก่อนนะนะยอมรับเออมันเป็นอย่างนั้นก่อนเนี่ยนะก็น้อมไปที่จะคิดแบบนั้นบ่อยบ่อยบ่อยบยบ่อยๆเข้า ถ้าไม่น้อมไปคิดแบบนั้นนะอันนี้เกิดไม่ได้อยู่แล้วถ้าวัชชนะไม่เกิดนะอันนี้เกิดไม่ได้เอาเนี่ยนะก็รอให้ชาวนะมันโพ้งขึ้นมาเองไม่ได้อยู่แล้วโพ้งขึ้นมาโทสะเกิดทันทีอันนี้ใช่เชื่อหรือเปล่าือแม้แต่ศีนนะฮะถ้าไม่มันคิดว่าเออศีนมันดีนะศีนมันดีนะเราไม่ได้คิดอย่างนี้บ่อยๆนะไม่ค่อยได้ไม่คยไม่ค่อยรักษาใช่ไหมเจนทาม ถ้ามันมันคิว่าสีมันดีนะสี ด, ะสดีนะทุกสีนี่มีโทษนะทุกสียมีโทษนะมแต่ก็เป็นอย่างนี้จริงๆเพ่อร้ายเพราะว่านี่แหละเขาเรียกว่าคนอินทรีย์อ่อนเนี่ยนะอินทรีย์อ่อนเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละพวกนี้จะเป็นทุกขาปฏิ ป, ท, ปทากันหมดนั่ย น, นะถามมาทำไมเพราะว่าหนึ่งศรัทธาเราก็มีกําลังน้อยเนี่ย น, นะว่าตรงๆพระพุทธเจ้าเกิดมาเราก็ไม่เคยเห็น ท่านศรัทธาว่าพระองค์มีคุณธรรมเช่นนั้นเช่นนั้นดีอย่งงางนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเองก็ไม่ค่อยเห็นก็าเว่ามาก็ว่ า, าไปตามเขากันข้ 2, อสองคําสอนเราเองก็จําไม่ค่อยได้นะจําอะไรไม่ค่อยได้ไมคิดก็ยากอันนี้ก็ c, อินเซียนี้คือก็อ่อนอีกสตินเซีย น, นี้ก็อ่อนจําอะไรไม่ค่อยได้ข้อสามเราก็เห็นเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องนี้มากถ้าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบกับทั่วๆไปอะ่ะว่า ง, งั้นเถอะให้ความสําคัญกับอย่างอื่นเนี่ยกับอย่างนี้ อย่างนี้ให้ความสําคัญ น, น้อยกว่าทักเทียบกับอย่างอื่นเหมนนแตถามมาสังเกตอะไรถ้ามีธุระเนี่ยนะสองธุระเนี่ยนะธุระฟังธรรมกับธุระอย่างอื่นเราจะเลือกอันไหนก่อนแล้วก็เอาอันอื่นไว้ก่อนใช่ไหมทีหลังวันหลังมาได้ฟังธรรมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือจะเป็นลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะั้นเราก็แสดงว่าความให้ให้ค่าสองอย่างนี่แตกต่างกันอันนะนัจับเออเนี่ยนะเราต้องหาเวลาให้ได้สักสองชั่วโมงเพื่อไปคิดคําสอน กลับไปคิดอย่างอื่นนี่นะเราจะเอาไปคิดอย่างอื่นก่อนนะโดยทั่วๆไปเรายอมเลือกไปคิดอย่างอื่นก่อนเนี่ยนะมันก็แสดงว่าเราให้ค่าในด้านนี้อ่อนอ่อนเพราะอะไรเพราะปัญญีย์เราน้อยปัญญียีไม่เห็นคุณของเนคขมะและก็ไม่เห็นโทษของอกุศลทั้งหลายเนี่ยนะไม่พอบริวาไม่เห็นโทษของอกุศลไม่เห็นคุณของกุศลเมื่อไม่เห็นมันก็เจริญไม่ได้อันนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะ เพราะอย่าลืมว่าผู้ศาสนาก็มีนะฝรั่งบางท่านก็ยังบอกเลยว่าฝรั่งพูดเองนะบอกว่ายากเกินไปที่ว่าถึงจะใช้ปืนมาบังคับให้คนนับถือมันก็นับถือไม่ได้หรอกมันยากเกินกว่าธรรมดาทั่วๆไปเยอะนะนะก็ก็เป็นอย่างนี้นะท่านผู้ศาสนาก็จะอันตรธานไปด้วยอาการอย่างนี้แหละอย่างน้อยที่สุดมะใครไม่เจริญก็อันตรธานจากคนนั้นก่อนวันนี้นะศาสนาตั้งมั่นในใจเรามากหรือว่าอันตรธานมากกว่ากัน ก็ตอบได้เลยคุณเกตนภาอันตรธานมากหรือว่าดํารงมั่นมากก็ตอบได้เลยนะเออวันนี้ศาสนาดํารงมั่นหรือว่าอันตรธานไปเยอะแล้วเนี่ยนะก็ถามเอาในใจเราก็แล้วกันเนี่ยนะน่าจันิดนะศาสนาดํารงมั่นหรืออันตรธานบ่อยค่อยๆดํารงมั่นขึ้นเนีะเอางี้นะใช่แต่ศาสนาก็ยังเป็นอนิจจ์ใช่ อันนี้จังบางอย่างในีของมาก็ชอบนะบางอย่างก็ไม่ชอบถ้าอันนี้จังตายจากมนุษย์แล้วตกนรกอันนี้ไม่ชอบอันนี้จังแบบนี้ไม่ดีนะแต่ถ้าอันนี้จังอันนี้โอ้จุติแล้วไปสู่สุคติค่อยอย่างชั่วหน่อยแต่ถ้าไม่เป็นมนุษย์อีกก็ไม่ชอบเองอะไรถ้าเกิดชาตินั้นนะคือไม่ชอบนะแต่ว่าจะได้เกิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เกิดเป็นมนุษย์เราอีกไหมไม่เอาโคตรจริงเลยนะ